ในสมัยพุทธกาลตะบวังมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งที่เมืองสาวัตถีหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตุทิคามหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าโตทยะเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์ชื่อว่าทุติคามมีคนที่เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนี้ ชื่อโตทยพปรามโตทยพปรามนี้ก็เป็นคนที่ขี้เหนียวมากต่รมฟั ง, ม, งมีทรัพย์สินตั้ง84โกรแต่พูด ง, ง่ายๆคือเป็นเศรษฐีถึงแม้ว่ามีความร่ำรวยมีทรัพย์มากขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่เคยให้อะไรใครตมบั ง, มงแม้ขอทานขอเทินอะไรไม่ให้ข้าวเก้ออะไรไม่เคยให้ เป็นผู้ที่ไม่เคยให้อะไรใครเพราะว่ากลัวเสียทรัพย์กลัวเสื่อมทรัพย์แม้ขนาดว่าภิกษุสงเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่เคยใส่บาทนนำซ้ำยังไล่หนีคือไล่เป็นหมูเป็นหมานะ่ยพระสงฆ์เนี่ยนะเห็นเราก็ไม่ใส่บาทไม่ศรัทธาไม่ให้ทา น, น, นไล่ไปปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้ที่ชื่อว่าตัวเทยะเนี่ย เป็นผู้มั่งมีร่ำรวยมหาศาลแต่เทรนีทีเหนียวไม่เคยให้อะไรใครเนี่ยก็เป็นห่วงทรัพย์ของตัวเองมากภายหลังตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัข ก, ก็คือไปเกิดในท้องหมาในบ้านของตัวเองนั่นแหละไปเกิดเป็นลูกหมาประะดยความที่แบบห่วงทรัพย์สมบัติมากเฝ้าทรัพย์สมบัติของตัวเองก็จิตใจมันค่องอยู่ตรงไหน พอตายไปก็ไปเกิดที่นั่นแหละคนหวงทรัพย์สมบัติอย่างโตทยพรามนี้ก็เลยไปเกิดเป็นสุนัขในเรือนของตอนนั่นเองลูกของโตทยพรามที่ชื่อว่านายสุภพระก็เป็นตระกูลพรามเหมือนกันไดฟังพราหมณ์ที่เขายังแบบศึกษาหาความรู้เนี่ยเขาก็เรียกว่ามานพคนนี้ก็ชื่อว่าสุภระมานพสุภระมานพโตทยบุตร เป็นบุตรของพราหมณโตโทยะเขาก็เรียกชื่อเต็มๆอย่างให้เกียรตินะว่าสุภมานพโตเทยบุตรก็เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแทนแเห็นสุนัขตัวนี้ก็รักมากตั้วังสุนัขที่เป็นอดีตพ่อของตัวเองนี่แหละกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขในเรือนรักมากแต่ให้กินข้าวที่ตัวเองกินให้นอนที่ที่ตัวเองนอน เมืย่ยงสมัยนี้เนี่ยนะบางทีบางคนรักหมามากให้แบ่งข้าวให้มันกินแบ่งเตียงให้มันนอนรักมากก็ลักษณะของนายสุภะโตทยบุตรที่รักหมาตัวนี้มากแ ล, แล้วก็ด้วยความเชื่อของพราหมณ์ตัมงบังที่เขาจะมีความเชื่อว่าเออพูดที่เป็นพราหมณ์ทําพิธีลอยบาปพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วก็จะไปเกิดร่วมกับพรหม สุภามาดพนี่ก็คิดว่าปีดาของตัวเองเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมแต่ไปเกิดอยู่ในชั้นพรหมก็โดยความเชื่ออย่างนี้ก็ดูแลทรัพย์สมบัติครองเรือนต่อไปพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านบฟังในเวลาเป็นยามสุดท้ายของราตรีลุกขึ้นแล้วเนี่ยก็เข้าสมาธิตรวจดูอย่างยานเพื่อที่จะดูว่าเอ๊วันนี้จะไปบอกสอนเทศสอนใคร ใครจะมีความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมมีบรุรรกรรมที่ได้ทํามาก่อนณในสุภมษามานบก็เข้าไปในข่ายคือบริยานของพระองค์พระบุตรเจ้าก็ทราบแล้วว่าอ่าในสุภาษามนบนี่จะสามารถรู้ธรรมได้วันนั้นก็จึงเดินไปบินาบาบ ท, ที่บ้านทุติคามนี่แหละในเมืองสาวิถีนี่แหละสุนัขตัวนั้นทั้งบ่ฝังที่เป็นโตทยปราม พอเห็นพระเดินมาก็ด้วยนิสัยเดิมท่านผู้ฟังห่วงทรัพย์สมบัติเห็นพระเดินมาก็เห่าฮ้องฮ้องเห่าฮ้องฮ้อ ง, ง แ, แบบให้ไล่หนีนไม่อยากจะให้มาอยู่ในเขตเรือนของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในที่นั้นก็เลยพูดขึ้นว่าแน่โตเถอยะเจ้าเคยกล่าวกับเรา ว, ว่าผู้เจริญผู้เจริญไปเกิดเป็นสุนัข แม้บัดนี้เจ้าทำการเห่าหอนแล้วจะไปสู่อเัจี้เพราะสุนัขตัวนี้ทังได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ระลึกขึ้นได้ว่าโอ้ยนี่เป็นพระสมณโคดมตัวเรานี้เป็นโตทยะรามตอนนี้มาเกิดเป็นสุนัขด้วยความรู้สึกสลดสังเวชก็เลยไปนั่งอยู่ริมเตา แต่ใครจะมาเรียกมาบอกมันยังไงมันไม่ยอมลุกขึ้นเลยนะั่นั่งจอกงอกอยู่ตรงนั้นแล่นะซึมเศร้าไปเลยท่าผู้ฟังอาจจะเคยนึกถึงสุนัขที่มันเสียใจมากๆเนี่ยนะมันนั่งจอกงอกอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วก็ไม่ไปไหนใครเรียกมันไม่สนใจตาละห้อยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นนะแล้วก็หงอยอยู่ตรงนั้นแลนะสุนัขตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้น พระปทชาวก็เดินผ่านไปบินทบาทในทางอื่นปรากฏว่าสุภาพมานพนี้เอาเห็นอาการของสุนัขที่ตัวเองรักเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมเรียกมันไม่ไปเอาอาหารมาให้มันก็ไม่กินอาจะให้ไปนอนที่ดีๆมันก็ไม่สนแล้วก็นั่งง่อยอยู่ตรงนั้นเอ๊ะเป็นอะไรแล้วก็เลยถามคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านทั้มบฟังทีเห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ย ก็เลยเล่าให้สุภาษามโนบนี้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าสุนัขตัวเนี้คือโตทยปรามแล้วก็ตายไปนี่จะไปเกิดอยู่ในอเวจีมหานรกสุภามามโนตบฟังได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเครื่องมากเพราะว่าด้วยความเชื่อของตัวเองว่าบิดาของตนเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมทําไมสมณะโคโดมมาบอกว่ามาเกิดเป็นหมาตัวนี้ แลีวเราก็จะไปเอาเวจีมาหารกไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ถูกนะสุภามานมนี่ก็เครื่องละเพราะว่ามาพูดขัดกับความเชื่อของตนแล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าทัมโมวังไปหาพระพุทธเจ้า ว, ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงบอกอย่างนี้นะมันไม่ถูกนะพ่อของผมนี่ไปอยู่บนพรมโลกมาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกในที่นั้นทัมโวังนนี้ที่วัดเชตะวันแล้วนะ เขาก็มาถามแล้วว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงมันไม่ถูกต้องนะพ่อของผมจะมาเป็นสุนัขตัวนี้ได้อย่างไรพ่อผมไปอยู่ในชั้นพรมแล้วแต่พระพุทธเจ้าในที่นั้นท่านผฟังก็ไม่เถียงล่ะเพราะว่าพูดไปเขาก็ไม่มีญาณอย่างรู้ใช่ไหมการสนทนาก็จะไม่เกิดประโยชน์ก็เลยถามสุภาพมานพนั้นถามว่าเอานี้ไหนมีทรัพย์สินอะไรไหมที่บิดาของท่านเนี่ย คือโตโยปราเนี่ยเขาได้ฝังเอาไว้เก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะแต่แตเคยบอกว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่สุภาพมานต์นั้นก็หลุดลุดได้ท่านผฟังว่าอ๋อก็มีหมวกทองคำมูลค่าแส0หนึ่งรองเท้าทองคำมูลค่าแส0หนึ่งแล้วก็มีกหาปณะคือเงินสดเนี่ยนะมูลค่าอีกแสนหนึ่งพ่อเคยบอกไว้ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน แต่นนในกลังก็ไม่มีพระบรุตรเจ้าก็เลยบอกอย่างนี้บอกว่าเอางี้สุภาพมาณพแต่เพื่อจะเป็นการพิสูจน์แต่ท่านทําอย่างนี้คือให้สุนัขตัวเนี้กินข้าวปะยาตดข้าวปะยาติก็คือข้าวที่ผสมนมมีรสหวานแต่ชนิดที่มีน้ําน้อยคือเอานมมาคลุกกับข้าวนะให้น้ํามันน้อยๆแล้วก็ให้สุนัขตัวเนี้กินกินอิ่มแล้วมันก็พามันไปนอนเตียงนุ่มๆ นอนได้สักหน่อยหนึ่งพอมันตื่นแล้วหาก็บอกให้มันพาไปที่ฝังทรัพย์หนะดูซิว่ามันจะพาไปถูกไหมพระพุทธเจ้าก็บอกทำหนองนี้แต่สุภาพมารลบในที่นั้นก็มีความคิดในใจธรรมบวชคิดว่าอืมพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ดีถ้าทำอย่างนี้แล้วปรากฏไม่เจอทรัพย์จะได้มาโจ์พระพุทธเจ้าว่าพูดเท็จแต่ถ้าเจอทรัพย์ก็ดี อาจาัย์จะได้มีทรัพย์นั่นก็ดีทั้งเจอดีทั้งไม่เจอมีความคิดอย่างนี้ก็เลยกลับบ้านไปทัมบุฟังกลับบ้านไปแล้วก็ทําอย่างที่ว่านั่นคือเอานมที่เกิดจากบัวที่กินชะเอมมาละ น, นมนั้นก็จะมีรสหวานเอามาคลุกกับข้าวข้าวสาลีอย่างดีคลุกกันให้มีน้ําคลุกคลิกนิดหน่อยแล้วเอาให้สุนัขตัวนี้กินสุนัข ก, กินกินอิ่มท้องใช่ไหมเอาก็พูดกับมันดีๆพานไปนอนที่ดีๆ นอนสักตื่นหนึ่งตื่นแล้วก็บอกมันว่าเอา้าไหนพาไปที่ฝังทรัพย์ซิสุนักตัวนี้ก็พาไปเลยตั้มบุฝังาพาไปเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเลี้ยวขวาตรงนี้มาดมฟึดๆตรงนี้แล้วก็เอาเท้าของมันเนี่ยเขียกังังกังกังกอยู่ตรงนั้นนสุภามานพเห็นท่าทางลักษณะนี้แล้วก็เลยให้คนขุดขึ้นมาเราก็เจอจริงๆตัมบุฝังเจอหมวกทองคําเจอรองเท้าทองคํา เราก็เจอเงินสดที่ฝังเอาไว้แต่ก็เลยมีความคิดว่าโอ๊ยนี่พ่อเราจริงๆนะเนี่ยทำไมมาเกิดเป็นสุนัขแต่แต่ด้วยความที่ยังมีมาน่ามากอยู่ตั้งบ่ฝังก็จึงชงคําถามนะเพื่อที่จะไปให้พระพุทธเจ้าตอบแตนะ่ลักษณะคําถามที่สุภะมานพโตทยบุตรได้ชงไปตามพระพุทธเจ้าสมมงบ่ฝังแล้วนะก็คือคําถามที่ว่าอะไร อะไรเป็นสิ่งที่จำแนกให้สัตว์เลวซามหรือประณีตนะอะไรเป็นสิ่งที่จำแนกอย่างนั้นนะคำตอบของคำถามนี้ทัง้งหมพระพุทธเจ้าตราตัสไว้อยู่ในประสูตรที่ชื่อว่าจุลก ร, รมวิพังคสูตรจุลก ร, รมวิพังคสูตรนี้มาในพระไตรปิฎกเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ5้าร้ จะเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับสุภมานพโตทยบุตรเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่าให้ธัมบุฟังฟังตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่มาในอัตตกคาถายกมาให้ธัมบุฟังฟังเนี่ยเพื่อให้รู้ถึงบริบทเราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วและท่านบริญิาบานไปแล้วหลัทฐานคําสอนก็เท่าที่มีในพระไตรปิฎกข้อมูลในชั้นพระไตรปิฎกนั้นเขก็มีการแยกแยะ ส่วนที่เป็นพระสูตรก็มีมีการแยกแยะส่วนที่เป็นอัตคาถาก็มีในอัตคาตานี้ก็มีข้อมูลย้ำกันอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีย้ำกันอยู่ในนี้ดังนั้นพอเราฟังข้อมูลที่เป็นบริบทอย่างนี้เนี่ยให้เรารู้จัแกแยกแยกตะตาหว่าังฟังแล้วไอ้อันไหนมันจะจริงอันไหนมันจะไม่จริงนั่นราลว่าเรื่องราวที่พิสดารอย่างเนี้ยเช่นว่าคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนนั้น อยงกรณีของโตทยพรามตายไปแล้วด้วยความธรรีเอ๊ะทำไมไม่ไปเกิดในนรกแต่มาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองเรื่องราวที่มีความพิสดารแบบนี้เนี่ยรายละเอียดแบบนี้เนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้นะก็ฟังดูไว้ก่อนนะฟังดูไว้ก่อนไอ้มันจะเชื่อได้ไหมลองเทียบเคียงดนะูแต่ว่าข้อมูลมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักแยกชั้นของข้อมูลให้ดีนะว่า อ, อ๋อนี่คืออตัตกะาแต่ส่วนที่เป็นพระสูตรนี่ ยังไม่ได้เริ่มพูดเลยนะส่วนนี้เป็นพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกอยู่ในหมวดของมัชชิมานิกายเนี่ยเริ่มต้นที่ข้อ579เและเป็นพระสูตรที่135ในมัชชิมานิกายเนี่ยคือบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับสุภาษมานพท่านั้นในเรื่องราวที่บอกว่าพ่อก็เป็นมายังไงในะตัวที่เขาที่ชื่อว่าสุภาษมานพเพราะว่าเขามีรูปลอในเป็นคนมีผิวพรรณงามเป็นมานพ์เนี่ย อยู่ในอตาาัตคาถาเราฟังแล้วเรารู้จักแยกแยะให้ดนะีอย่าเอามาผสมปนกันมั่วแล้วก็ทําให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจนะแต่เมื่อฟังแล้วให้รู้จักแยกแยะทั้งหมดถ้าจะไปหาอ่านเพิ่มเติมนะก็อยู่ในเล่มที่14ในะพระสูตรที่ชื่อว่าจุลกมามวิพัณกสูตรบางทีก็เรียกว่าสุภสูตรก็มนะีตามชื่อของบุคคลที่พระพรุทธเจ้าสนทนาด้วย เนี่ยเป็นโอวาทที่ให้กับสุภาษณมานบโตสยบุตรในบันดีก็จะเรียกว่าสุภสูตรรายละเอียดที่ตรัสนั้นก็เป็นเรื่องการจำแนกของกรรมก็เลยตั้งชื่อว่าก ร, รมมวิพังคสูตรแต่กรรมวิพังคสูตรนี่ก็จะมีเรื่องที่ยาวกว่าละเอียดกว่าเนื้อเรื่องนี้รายละเอียดสั้นกว่าน้อยกว่าก็เรียกว่าจุละกรรมะวิพังคสูตรแต่ส่วนที่มีการจำแนกเรื่องของกรรมยาวกว่านั้น เขาก็เรียกว่ามหาหมายถึงใหญ่กว่ามีรายละเอียดมากกว่าทีนี้ในพระสูตรนี้อันนี้คือเริ่มเนื้อหาพระสูตรแล้วนะท่านบวนะที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะสุภามานบได้ตามพระพุทธเจ้าถึงความที่จะจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประนีตแต่ตัวท่านนี้เป็นคนมีความประนีตในเรื่องของทรัพสมบัต ดีกว่ามีโพค่ามมากมีผิวพรรณงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสเฮแต่พ่อไปเกิดเป็นสุนัขซึ่งมีชาติหยาบเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่มันมันหยาบกว่ามนุษย์แต่กินอะไรมันก็สุขโปรกกว่ามนุษย์และเป็นกองที่หยาบกว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำแนกให้สัตว์นั้นเลวหรือประณีตนี่จะเป็นคําตามของสุภาพมานพพร ะ, ระเจ้าตรัสในที่นั้นท่ามาฟังบอกว่ากรรมนี่แหละ นกรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีได้นี่เป็นบุทรบทธรรมบังให้จำไว้เลยให้จำไว้เลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตได้หลายหลายคนก็จำได้แล้วนะก็เป็นบทสวดมนต์นตตอนท้ายอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามีเนื้อความอัตตะที่เหมือนกันนั่นเองเป็นเรื่องของกรรมสุภาพมานพทำฟังด้วยความที่ตัวเองเป็นพรามมีความรู้ความเรียนในคัมภีร์ไตรเพศก็ยังไม่ลงใจล่ะมีมานะอยู่ ผูกคำถามนี้มาเพื่อที่จะต้อนให้พระพุทธเจ้าจนเอตแต่พูดเรื่องอะไรเรื่องของกรรมไม่เห็นรู้ไม่เห็นเข้าใจเลยลในที่นั้นก็จึงถามในรายนะละเอียดในลักษณะที่พระพุทธเจ้าตอบนะเพื่อให้เขาไม่เข้าใจแล้วเขาถามต่อเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อที่จะทําลายมานะของบุคคลนั้นนะพอเขามีความต้องการที่จะรู้แต่ตรงนี้ก็มีชั้นทาละแล้วถ้าถามต่อเนี่ยก็คือมีความเพียรละ แต่มีฉันดามีความเพียรได้ข้อมูลต่อเนี่ยมันถึงจะตั้งตนอยู่ในธรรมนันได้ลักษณะการที่เขาเข้ามาหาแล้วเข้ามาหาแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกนี่มาเพื่อที่จะมาโต้กันเพื่อที่จะหาเรื่องว่างนั้นเถอะแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเฮ้ยสุนัขนี่เป็นพ่อของเราจริงจริงแฮสับสมบัติที่ฝังเอาไว้มีอยู่จริงๆริฮอันนี้ก็เกิดสัทธาขึ้นนิดหนึ่งละ มหาครั้งที่สองด้วยความที่มีศรัทธาอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าตอบในลักษณะเพื่อให้เกิดความอยากรู้แต่ตรงนี้ก็เป็นชันทะถามตอนนี้ก็มีความกุศลที่แบบใกล้อยากรู้และก็จึงได้ตอบในรายะเอียดของพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจึงจําแนกตรงนี้ตามวังว่าที่เลวหรือประเีดเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนที่เลวหรือประเีตก็เป็นคู่ตรงข้ามกันทั้งหมด เจ็ดคู่ด้วยกันแต่นนในคู่แรกคือเรื่องของอายุถ้าเลวก็อายุสั้นประณีก็อายุยืนคู่ที่สองคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถ้าเลวก็มีโรคมากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยถ้าประณีก็คนที่มีโรคน้อยไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงคู่ที่สามเป็นเรื่องของผิวพรรณแต่คนที่มีผิวพรรณซามผิวพรรณหยาบกร้าน น, นีเป็นลักษณะของความไม่ประณี ส่วนความประณีตนั่นก็คือมีความน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณงามในคู่ที่4ี่ก็คือมีศักดาคำว่าศักดานั่นก็หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงแต่ความมีหน้าตาในสังคมลักษณะแบบนั้นตำแหน่งอะไรพวกนี้นี่คือศักดิ์ศักดาน้อยอันนี้ก็ไม่ประณีตนี่นคือเป็นกองหยาบแต่ถ้าของประณีตนั่นก็คือมีศักดามาก แล้วก็เรื่องของโพอนี้คือในคู่ที่ห้าโพะน้อยกับโพะมากคู่ที่หกนั่นก็คือเกิดในสกุลต่าหรือว่าสกุลสูงคู่ที่เจ็ดในเรื่องของความหยาบไม่ประณีตก็คือเรื่องของปัญญาว่ามีปัญญาน้อยไร้ปัญญาหรือว่าถ้ามีประณีตละเอียดก็มีปัญญามากในทั้งหมดเจ็ดคู่นั้นมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน ตามการกระทํานำะการกระทําคือกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตในลักษณะเจ็ดอย่างนี้เนื่องจว่าสัตว์เป็นทายาทแห่งกรรมเนี่ยก็คือจะได้รับผลของการกระทํานะกรรมนี่แหละจะพาไปเกิดจะไปเกิดในอบายทุกติมิติบาตหรือนรกอันนี้เป็นที่ที่ไม่ดีหรือว่าจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ตัวที่จะเป็นตัวพาไปเกิดนั่นก็คือกรรมนั่นเอง ก็ว่าพาไปเกิดนี่คือห ม, มายความกรรมนี่มันจะส่งไปแล้วก็จะจำแนกแจกแจงอัตคตานี่ก็จะอธิบายถึงเรื่องของกรรม12บสที่ว่ามีชนะกะกรรมคือกรรมที่พาไปเกิดไปเกิดแล้วจะซ้ำหรือประณีตอีกแล้วก็กรรมนี่แหละจะเป็นตัวจำแนกกรรมที่พูดถึงนี้ก็คือลักษณะการกระทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจ ซึ่งในเจ็ดคู่นี้ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ได้อ่านให้ท่านฟังฟังตั้งแต่เมื่อาณนี้แล้วนะได้ฟังในเรื่องของฟังธรรมคำพุท ธ, ธะในเรื่องของกายวาจาและใจ่ใทั้ง3ามอย่างเลยในการการะทํากรรมทางกายวาจาใจนั้นก็คือการปรุงแต่งนั่นเองเราจะปรุงแต่งวาจาของเราเนี่ยจะพูดออกมาแบบไหนใจของเราจะคิดแบบไหนอันนี้คือลักษณะของการปรุงแต่งคำว่ามโนสังขารหรือว่าการปรุงแต่งทางใจเนี่ย ไม่ใช่หมายความถึงเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นแต่เราจะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางดีก็ได้เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันก็เป็นกรรมดีนั่นเองในเรื่องของอายุที่ว่าจะสั้นหรือว่าจะยืนนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปแต่ถ้าเป็นคนที่มักจะทําอย่างนี้เยี่ยมโหดมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหาดประหารไม่มีความเอ็นดูเนี่ยอันนี้ตายไปตกนรกแต่แต่ถ้า ไม่ไปโรคพวกนั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีอายุสัน้นในส่วนที่มีโรคมากก็มักจะเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนสัตว์ด้วยมือด้วยก้อนดินหรือตอ้นไม้คนที่ชอบบรงแกสัตว์เนี่ยนะมันจะไปตกนรกแต่ถ้าไม่ไปตกนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังแลก็จะมีโรคมากโรคภไยแข้เจ็บเยอะคนที่มีผิวพันธุ์ซามไม่น่าดูไม่น่าเลื่อมใสก็เพราะว่าเป็นคนมักโกรธ สองอย่างแรกนี้เป็นเรื่องของการกระทำทางกายอันที่3ามนี่เป็นเรื่องของการกระทำทางใจละเล็กน้อยนิดนึงก็ขัดเคืองะมีความพยาบาทมากร้ายทําความโกรธความกึ่งเครียดให้เกิดขึ้นในเรื่องของวาจาเกาะมาด้วยเรื่องของทางกายเกาะออมาด้วยอันนี้จะทําให้มีผิวพันธ์ซ้ำถ้าไม่ไปเกิดในนรกนะมันเกิดเป็นมื่อนึในภายหลังเนี่ยจะมีผิวพันธ์ซ้ำส่วนคนที่มีสักระน้อยก็เพราะว่ามีใจริษยาริษยาใน เรื่องที่ดีๆของคนอื่นน่ะคนอื่นเขาได้ดียังไงแม่อิจฉาริษยาเขาแตเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองเขาจะมีลาบสการะก็จะมีชื่อเสียงก็อิจฉาริษยามุ่งร้ายนะผูกใจอิจฉาในลาบของเขาในการนับถือกราบไหว้ด้วยแต่ถ้าไม่อนุโมทนา ย, ยินดีแต่กลับอิจฉานี่เกิดมาภายหลังเนี่จะมีสักดาหน้อยอันนี้ลักษณะของมโนกามนะทีนี้ถ้าเรื่องของการมีพอค้าน้อย ก็เพราะว่าไม่ได้ให้ฐานฐานนี้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเงินเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตอาหารข้าวน้ำผ้าเครื่องที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับบุคคลที่ควรให้แต่ถ้าไม่ให้อ น, นี้จะไปตกนรกอาจจะไม่ใช่นรกละแต่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างกรณีของโตทยพรามเนี่ยไม่ได้ไปตกนรกแต่ว่ามาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วต่อไปก็จะเป็นนรกและถ้ารอดพ้นจากนรกนั้นเกิดขึ้นมาในภายหลังก็จะมีโควาน้อยอาทำไมไม่ได้ให้ทานถึงจะไปตกนรกแต่บางคนคิดว่าไม่ได้ให้ทานมันก็จะเก็บทรัพย์สมบัติไว้แล้วทำไมมันจะไม่ดี ต, ตรงความตรหนีไงําหวังความตรรนีนี่มันไม่ดีมันจะพาไปนรกแล้วคนที่เยื่อยิงก็เหมือนกันเนื้อเยื่อหยิงไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับเป็นคนที่จองของ ไม่สักการะคนที่ควรสักการะแต่คนแบบนี้เนี่ยไปตกนรกนะจิตใจมันกระด้างจิตใจมันหยาบคายจิตใจที่หยาบกระด้างนี้ไปไม่ดีแน่นอนแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังนี่ก็จะเกิดในสกุลต่ำเพราะฉะนั้นเรื่องของการกราบไหว้เนี่ยใครว่าไม่ได้บุญนะใครว่าเป็นสิ่งที่ทําแล้วแหมมันตามว่ามันไม่ดีไม่จําเป็นต้องทําก็ได้อันนี้คิดไม่ถูก แต่ที่ถูกก็คือควรจะต้องทำเรายังรวมถึงการที่มาสอบถามสิ่งที่ดีที่งามกับบุคคลที่เขารู้ในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่เข้าไปหาสมณพราหมณ์สอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรทําแล้วมันดีอะไรทําแล้วมันไม่ดีอะไรทําแล้วมันจะเป็นสุขอะไรทําแล้วมันจะเป็นทุกข์เนี่ยไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้อะไรที่มันจะดีไม่ดีแล้วก็ทํามั่วๆไป ทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างไอ้ส่วนไม่ดีมันก็ให้ผลน่ะส่วนไม่ดีให้ผลมันไปตกนรกได้มันไปเกิดในที่ไม่ดีได้ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานได้แต่ถ้ า, ถาอาจจะมีส่วนที่ทําดีมีอยู่ก็มีเราพ้นจากตรงนั้นไอ้ความไม่ดีตรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เป็นคนที่ไร้ปัญญามีปัญญาน้อยคิดอะไรก็มึนตึงไปหมด น, นี้ก็จะเป็นได้ในในทางตรงกันข้ามทาหวังอันนี้คือเรื่องของความหยาบความเลว ความไม่ประณีต น, นี่คือถ้าบอกว่าทํากรรมอย่างเนี้ยสมาทานไว้อย่างพรั่งพร้อมทําอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำผลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามพระพรทชาก็แจกแจงไว้เหมือนกันนะบุฟังในเรื่องของความประณีตของความดีความงามคามนที่จะมีอายุยืนนั่นก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เว้นจากปานาทิบาตปานาทิบาตนี่คือทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปรวมถึงการฆ่าเองการที่สั่งเขาฆ่า การที่มีส่วนร่วมชักชวนให้เขาฆ่านี่คำว่าสมท า, านเนี่ยคือมีส่วนร่วมชักชวนให้เขาทําอันนี้ถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มีความเป็นดูในสรรปสัตว์ทั้งหลายอันนี้ไปสุขติโลกสวรรค์หรือถ้าไม่ไปสวรรค์แต่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืนแล้วการที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ทัง้งหมคือมันอาจจะไม่ได้ตายแต่เราจะไม่ได้กินเนื้อมันแต่ก็ไปเบียดเบียนมันอย่างนี้ อันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใช่ไหมมาเกิดในภายหลังเนี่ยก็จะทำให้มีโรคน้อยมีไฟาธาตุในกายสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินอันนี้ก็คือมีโรคน้อยนั่นเองนั่นคือลักษณะของการกระทำทางกายในที่เกี่ยวเนื่องกับการชักชวนด้วยทางใจด้วยแล้วถ้าการที่ไม่โกรธกุอน่นแต่ที่เขามาด่าว่ามาถูกทาให้ขัดใจก็ไม่โกรธ ไม่มาร้ายไม่ทําความขึงเครียดเนี่ยแต่อดทนได้นะอดทนได้ลักษณะจิตใจแบบนี้ดีแน่นอนไปสวรรค์แล้วก็ทําให้มีผิวพรรณงามแล้วพอเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีไม่ว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคนหนึ่งเขาคนหนึ่งเขาได้รับการสักการ บ, บูชากราบไหว้หรือนับถืออย่างไรๆก็ไม่อิจฉาเขาแต่แต่ว่ามีใจอนุโมทนามีจิตที่เป็นมุติตาในจิตแบบนี้มันสูงถึงบ่ฝัง ไปสวรรค์ไปมนุษย์ไปสุคติแน่นอนหรือถ้าไม่ไปนะและ้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในภาหลังเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีศักดามากอาจจะได้รับการยกย่องได้รับตําแหน่งสูงมีการได้รับการนับหน้าถือตาไปแล้วก็ถ้ามีการให้ทานด้วยในการกระทําตรงเนี้จะเป็นการจําแนกให้เรามีความประณีตการกระทําที่มีการให้ทานข้าวน้ําปัจจัยสีต่างต่างแก่บุคคลที่ควรให้ อันนี้จะละความตรรณีในใจทำใจที่พร่องอยู่ให้เต็มขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อจิตใจที่ยังพร่องเต็มขึ้นเต็มขึ้นด้วยบุญกุศลเนี่ยตัวนี้มันก็จะจาแนกให้บุคคลเนี้ยมีความละเอียดประณีตแต่ไม่มีโพคาสมบัติมากแล้วก็การที่ไม่เย่อหยิงท่านผู้ฟังเป็นคนที่อ่อนน้อมไม่เย่อหยิงเป็นคนที่มีความท่อมตนไม่ยกตนข่มท่าน บูชาคนที่ควรบูชาไม่เอาดีเข้าตัวเองเอาชั่วเข้าคนอื่นเนี่ยลักษณะแบบนี้นะจะเกิดในตระกูลสูงกนะ็คือถ้าเพื่อว่าพลาดจากการไปสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังนี่ก็จะอยู่ในตระกูลสูงแลนะการกระทําที่แบบเราบริการคนอื่นที่เขาเหมาะสมแตนะ่ไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งเนี่ยใครว่าเป็นการกระทําที่มันไม่เหมาะสมในแะปะว่า จุดที่เขาคลายมาหน้าตรงนี้ได้เขาละความยึดถือตัวตนเนี่ยจิตที่มันมีความยึดถือน้อยลงน้อยลงเนี่ยจิตมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็ไปดีขึ้นนำไปสุกติโลกสวรรค์หรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงส่วนการที่รู้จักจะไปถามปัญหาข้อไหนดีไม่ดีรู้จักแยกแยะอะไรเป็นกุศลอกุศล อะไรทำแล้วมันจะดีไม่ดีเนี่ยพอ ร, รู้สิ่งนี้แล้วะในฝังก็ทําให้มีสมาทิติเกิดขึ้นสมาทิติมีในใจมันก็สว่างขึนดีขึ้นสูงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นการจําแนกให้บุคคลที่ทำอย่างเนี้ยไปดีมีความสูงเป็นสุกติโลกสวรรค์หรือถ้าไม่ไปจึ่นั้นก็จะมีปัญญาลักษณะก า, ารกระทําในทั้งหมด7คู่นี้ที่เป็นการกระทําทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นบาปเป็นความไม่ดีเนี่ย ทำให้มีความเลวมีความหยาบมีความไม่ประนีตและการกระทำส่วนทั้งที่ดีที่จะทําให้เกิดผลเป็นความประนีตได้ผลเป็นความหอมความหวานความชุ่มฉ่ำนี้และนเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นทางกายวาจาและใจของเรานั่นเองเมื่อ บ, บรรพบุทรเจ้าแยกแยะแจกแจงเรื่องของการกระทําว่าการกระทําไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาหรือใจก็าตาม จะเป็นต <unlucky. S 2> ัวที่จะทำให้สัตว์นั้นเนี่ยเป็นทายาทแห่งการกระทำของตนเป็นสิ่งที่จะทำให้สัตว์นั้นไปเกิดที่ดีหรือที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่สัตว์นั้นจะต้องรับไปเป็นสิ่งที่สัตว์นั้นจะพึ่งได้จะพึ่งบุญหรือพึ่งบาปเป็นสิ่งที่จะจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีได้การทำฝังให้เราระวังให้ดีให้เราพิจารณาให้ดีกากระทที่เราทอยู่บันี้กายวาจาหรือใจ หรือที่เราทำผ่านมาแล้วหรือที่เราจะทําต่อไปเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีถ้ามันเป็นส่วนของอกุศลเราพึ่งกคำแบบนี้มันก็จะมีรสขมรสเผ็ดร้อนรสไม่อร่อยมีความเลวมีความหยาบโลนแต่ถ้าเป็นคำดีก็จะให้ผลเป็นความหวานความชุมช่มฉ่าเป็นความประณีตในชีวิตของเราสุภะมาโนตโตทยบุยตรธรรมฟัง ฟังการแจกแจงของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมอย่างนี้แล้วก็มีความเลื่อมใสเพราะว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งพิจารณาได้ถูกต้องแล้วก็เห็นแจ้งได้อย่างเต็มที่เหมือนการเปิดของที่มันปิดอยู่อะไรมืดๆ ม, ม, มองไม่เห็นก็ฉายไฟให้เห็นสุภาพมานพนั้นก็เลยนับถือพระรัตนตรยัยทั้งมงมีพระพุทธรธรรมประงค์เป็นดีพึ่งและเป็นอุบาสกในทางคาสอนของพระพุทธเจ้า ประชุดนี้ก็จบที่ตรงนี้แล้วถ้าตัมบูฟงังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่ puretamman.com p, p u r e d h a m m a c o m วันนี้เบลามาแลตโมฟังข้าพเจ้าพระมหาไยบุญอาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญป่รณ